พระบัญญัติก็ภิกษุใดให้จีวันแก่ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติต้องอบัตปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบ